เราทำเป็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้ยินเป็นสิ่งที่เราได้เห็นได้พบเห็นศึกษาของจริงอย่ามามีสติกาหนดกายเคลื่อนไหวแล้วก็มีสติเห็นกายกายเราก็มีสติก็มีอย่าปเป็ง น, นันเดินอย่เป็นการคิดเห็นให้เป็นการพบเห็น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 ไม่ใช่ตัวชื่อตนถ้ามันคิดสิ่งโดยก็เป็นไปกับมันมันก็ไม่ได้ศึกษาเป็นดุนเป็นข้อนอ่าเรื่องสักว่าจิตมันก็คิดเป็นบางทีเราไปเป็นตัวเป็นตนอยู่กับความคิดเท่านั้นเฉียเวลาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นพอใจไม่พอใจกับความคิดนั่นมันไม่ใช่ มันต้องนะมันกักขังเราเสียเวลาไปกับความผิดความถูกเสียเลาไปกับความสุกความทุกที่เกิดจากจิตใจของเราเป็นนามธรรมามันก็สักแต่ว่าคิดเท่านั้นเองอย่าไปเชื่อจนทําตามมันคิดสิ่งใดก็เชื่อว่าตัวว่าตนมีตนอยู่ในความคิด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 เป็นผู้หลงเป็นสมมุติอยู่ในโลกแห่งความสมมุติบัญญัติเพื่อเอาแต่ของผิดผิดถูกถูกไม่เห็นผิดเห็นถูกบ่ได้เกี่ยนแท้เขี่ยนแท้เป็นประมตทสัจจ์เหมือ น, นไม่เกี่นที่เรามาทําบ้านทาเดินทนทางของมอกของกะพี่สุขสุขทุกๆเป็นหมอกเป็นกะพี่ไม่จกี่ยงจังอะไร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 ไม่เป็นอะไรเห็นกายสักว่ากายเห็นเวทนาสักว่าเวทนาเห็นจิตสักว่าจิตเห็นธรรมสักว่าธรรมนั่นก็ใหญ่ไปแล้วแยกไปแล้วจนในที่สุดเห็นการเกิดเกีเก่ยว เ, เกิดตายไม่ใช่เป็นผู้แก่ผู้แก่ผู้ตาอพิจารณาหนึ่งเดืองเห็นแล้วเห็นแล้วเกิดวิลาข้าเบื่อนหน่าการเป็น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 เียปวดก็เห็นอยู่แล้วอันนี้ก็มันก็เห็นอยู่แล้วจะไปหลงต่างไงแล้วเห็นของที่เราเห็นไม่ใช่ของที่เราหลงของที่เราไม่เคยเห็นของที่เราเป็นมันก็หลงเลยไปเป็นสุข ก, ก็หลงในความสุขเป็นทุกข์ก็หลงในความทุกข์ถ้าเห็นสุขถ้าเห็นทุกข์มันก็ไม่หลงแล้วลูกเห็นนามเห็น <uve> ลูกมันทุกข์เห็นนามมันทุกคนผู้เห็นทุกข์มันจะมีทุกข์ยังไง นั้นคนที่เห็นงูมันก็ไม่ให้งูกัดแล้เมื่อมันเห็นก็หลุดพ้นถ้าไม่เห็นก็ไม่หลุดพ้นเห็นลูกทุกบางทีเราเป็นผู้ทุกไม่จับช่วยตัวเองเห็นทุกมันก็ช่วยได้อะไรที่เป็นความทุกเกิดกับลูกมันก็ไปทำไม่คิดไม่ไม่สัมผัสมันก็ให้รูกปลอดภยัยเช็นสุโขรีลูกมันเป็นทุก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 ต้นใหม่ที่นี่ดูสิต้นยางต้นอะไรต้นโยงต้นหยางต้นตะเคียนทองต้นหม้อข้าวโมงต้นหมอกกันหีทึกวันนี่ก็ที่ผูกแวนบางต้นก็เกือบจะถึงบื่นมากแล้วยังมอกกันหีที่หน้าทิศเหนือลงฐานสูงใหญ่แล้วด้ยเราจะค่าพันบาทอ่ะอันนั่นมาอ้างกันเลยไปยึด มันมาเราจนเรารวยมันก็รวยได้แต่ว่ารวยเนี่ยหัวใจก็เราไม่โลภไปโกรธไปหลงนะ่ะเงินต้นไม่แสนต้นด้ยแสนหมื่นอย่างนวงให้ต้นไม่ที่เนี่ยต้องมีหลงตาโปกไว้ไม่ต่ํากว่าแสนสองแสนต้นเราคิดต่ําๆไะเพียงสี่ห้าปีเนี่ยสี่ปีแถวเนี่ ย, ยสองโหล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 สี่สิบปีหกสิบปีสมใจรีเื่อหนุ่มเป็นสาวบริสุทธิ์ปรถองต้องต้นมาดีกระหัยตรรมาจีนมีครอบมีครัวก็ยันหมั่นเพียรเย็บหอมหลอมลิบมับนบประหลัดมีลูกมีหลานเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานลูกดีหลานดีเออสมแจ่เท่ามาก็าก็ดูแลเรา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 เขาเนนลุ่นนี่สบายมากเราไม่ได้ไปพูดจกรรพระภาดทรมันเองเวลาจับจอบไปขุดอะไรนีดหน่อยจอนวดก็จอบไปซ่อนไว้ไม่อย่างให้ทำสบายใช่ไหมสัญญาศีุก่อนแล้วเวลาเนียไปไหนก็ไม่ค่อยจะได้เพราะเราก็เป็นห่วงก็อยู่ในอาสมจัญญาศี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 กลจะตายกลัวจะเจ็บกลัวจะแย่ไม่ใช่หรืภาษาอะไรเคยเจ็เจ็บตายเรื่องเล็กน้อยไม่มีใครแย่ไม่มีใครเจ็บ ไ, ไม่มีใครตายมีแต่เห็นแย้งตามความไปจริงสนุกหลงตาไปป่วยโรงพยาบาลหมอหวัวระหวันนั่นเห็นไขาหวัจัดลูกศิษย์มาดูแลเราอย่างดีแล้วหลงก็หนูเอาลูกศิษย์อย่างดีมา ดูเลยหลวงตาโอ้ยผู้ชายออเออมีคนช่วยเนาะป่วยไข้มะหมอดีไปเจอหมอก็ดีอ๋ออไกันไปเจอหมอดีไปเจอยาดีเพื่อนดีย่าโจมที่สุโกโตเพราะสงสัมเนีไม่ขีไม่ได้ไปดูแต่ว่าอยู่ในหัวใจของเราเราไม่ได้ มาทำวัดสมน์สองปีสามปีพระท่านก็สอนกั น, กนเราก็ผูม่อยปฏิบัติก็อยู่กันพระ ก, ก็สอนกันอยู่นี้เราตายไปก็ไม่เป็นไรไม่ตายความดีอนี่สุขโตเนี้แม่หลวงตาตายไปก็ไม่สูญเสียยางพากันทํากันอยู่น้อยก็ญาติโยมก็พองปฏิบัติกันอยู่เพราะเราทําดีเองแต่ให้ใคร